ا ل َ ل ّ ذ ِ ي ن َ مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ وَالَّذِينَ ل َ م يَبْلُوْلُ حُلُمَ مِنْكُمْ من كُمْ صلاة مَرَّتِ ا ل َِّ س َْ م َ ك َ ت َُ مِنْ قَبْلِ ص َ ل ا ت ِ الْفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ سيابكم من الظهير و م بعد صلاة ا ل ع ش ا َ ومن بعد صلاة العشاء َ ل ا ث ع ل ر ا ت ل ثلاث عورات لكم, ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناحون بعدهن. ق و ا و ن ع ل ك ب ض ع ل ض قوافون عليكم بعضكم على بعض. ف َ ذ َ ل ِ ك َ يُبَينُ ِّ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و َ ن َ ع ُ و ذ ท بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ งَละจากสิ่งที่เราทำทีِพร ل ل จ้าทรงَ้องการให้เราทำ و َะเจ้าทรง ل รัสวَาผู้ที่ไดَรับกาَชี้นำจะไม่หَงทางَละผู้ที่หลงทางจะไม่ไดُ้ับ ا ารชี้นำَละไม่มีใครนอกจากพَะเจ้าเท่านั้นที่เป็นََูทรงพระเ أعوذ بكلمات الله ا ل ت م ا ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما ع س م ه شيء في الأرض ولا في السماء ووسميع العليم ر ض ي د بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ا ل رسول الله ما ن ي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ر ับบีอาอูบุบิค์มิ่ ن อาดับ ا ب ฟินนาร์ว่าดับิมฟินค ب บรีอัลลอฮุมะฟินีฟีบดันีว่า ي ินีฟีสเมาีว่าฟินีฟีบัซรีสุลพี่น้องที่ร่วมนมาสุบุ์ที่รักทั้งหลายกบลฮัมตุลิละก่อนอื่นเราทุกคนนะครับที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยต้องให้ใช้ชีวิต ไม่เหมือนกับคนกาเฟชชีวิตของเราเนี่ยยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยต้องไม่เหมือนต้องไม่ลอกแบบคนกาเฟชให้เราเรียนแบบหรือว่าลอกแบบจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตานหรือบรรดาสวบฮบะสวบฮบะของท่านนาบีที่มีมีอยู่เป็นแสนคนแต่ว่าที่ ที่เด่นที่ดีที่อัลลอฮฺพึงพอใจมากที่สุดก็คือขลิฟาัตทั้งสี่มันจะอิหม่ามทั้งสี่นะขลิฟฟัตทั้งสี่นะท่านอบูบกักระท่านไซนาอุมารท่านอุสมานท่านอาลี radiyallahu anhu ลลทำไมเราต้องเน้นในเรื่องนี้เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอายะที่ห้าสบห้าเนี่ยอายะที่ห้าบห้าที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะเตือนเรา ให้นึกถึงบุคคลเหล่านี้น่นึกถึงนบีนึกถึงบรรดาซอฮบะของท่านนาบีอย่างน้อยสี่ท่านนี่นะเขาเป็นคนที่มีอ ي มานและเป็นคนที่มีอามันที่ซอละอลัลลอฮ์ก็เลยมอบให้ปกครองคอลิฟะปกครองแผ่นดินในในครมะกะจะมาดีนาตรงนั้นนะ่ะรวมแล้วประมาณห้าสิบกว่าปี ของนบียี่สิบสามปีหลังจากนาบีเสียชีวิตไปแล้วนบีบอกว่าคอลีฟ้าเนี่ยที่ซื่อตรงที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับชาวโลกได้ได้อีกสามสิบปีของนบียี่สิบสามของซอบาบะอีกสามสิบเป็นเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบสามปีที่ น, นบีพูดแล้วจริงไหมจริงครับ อันนี้คำว่าคอลีฟ้าเนี่ยแปลว่าการปกครองโดยเอารูปแบบของนบีมาใช้เรียกว่าคอลีฟ้าคอลีฟ้าที่หมดไปเนี่ยถูกถูกขจัดออกจากโลกใบนี้โดยฝีมือของเติร์กตุรกีนี่แหละประเทศตุรกีเนี่ยก็นนี้มันครบ1น0่ปีแล้วนะที่เอาคอลีฟ้าออก ความจงคอลิฟ้าเนี่ยมีเยอะอ น, นะแต่ว่าคอลิฟ้าที่อลัลลอฮ์รับรองที่พึงพอใจมีประมาณสีท่านเท่านั้นแหละเรียว่าคุรฟายูรอชดีนอัลมักดีินขอยกตัวอย่างนิดนึงว่าบรรดาคอลิฟ้าทั้งสท่านในปกครองคนเนี่ยยิงในสมัยไซนาอุมัดสิบปีเนี่ยไม่มีคอร์รัปชั่นเลยไม่มีโกงเลยสักบาททําหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยได้ว่าเชิญชวนคนให้คนรู้จัก อ, ลอัลลาม ที่เล่าให้ฟังเมื่อครั้งที่แล้วน่บอกว่าไซนาอุมัตเนี่ยปกครองมา14ปีเนี่ยเชิญชวนคนให้คนมารู้จักอัลลอฮ์ให้มีอิมาและทำอามันตุซอแลเนี่ยผู้คนรับนับถืออิสลามเท่าไหร่นะ1 0ึ่พกับ36หัวเมืองหนึ่งพกับ36หัวเมืองแล้วก็สร้างมัสยิดเท่าไหร่นะอีก4 0 0พแห่งช่วง14ปีเนี่ย นี่เขาเรปกครองดูแลคนเปลี่ยนแปลงคนจริงๆแล้วมาดูทรัพย์สินของท่านน่ของไยนาอูมัดเน่วันที่เสียชีวิตเนี่ยเช็คแล้วมีอยู่สี่รายการเองเป็นผู้นำสิบสี่ปีอ่ะคนจิงถ้าข้าจะโกงเนี่ยได้ไหมได้สร้างบ้านเป็นทองก็ได้จะเอาในนครบอดีนานเนี่ยคำแพงนี่เป็นทองก็ได้แต่ท่านไม่ทำท่านเป็นห่วงคน พัฒนาคนสอนคนให้คนมี إ ي มานให้คนมีอมันที่สอนแล้วทรัพย์สินของท่านในวันตายมีสี่รายการมีหนึ่งท่าบ้านทำมาจากดินสองแซ่มีแซ่อยู่อันหนึ่งธรรมดาเอาไว้ขวดคนป่านี้ไม่ ม, ม, มีครับปุกคนนะมาพ่อเ็าตื่นนมาสุโบเนี่ยก่อนอาจารชุ่วโมงสองช่วโมงขึ้นมานมาตะหัยุทธแล้วก็เดินปุกคนชาวบ้านให้มานะมา แล้วก็มียานพาหนะอยู่อยู่อันหนึ่งอยู่ตัวนึ่งก็คือมีล่อไม่ใช่ลามไม่ใช่ม้าด้วยนะเอาล่อล่อเนี่เป็นศาสตร์ประเภทที่ค่อนข้างจะตามสุดละนะแต่การที่สี่ก็มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นตู้ตู้อย่างพวกเรานะู่พวกเราบางคนสามสี่ร้อยชุดรองเท้าอีกเป็นร้อยๆยคู่พอซื้อมาแล้วก็สะได้หมดแล้วบริจาคใครๆก็ไม่ได้ ของท่านไซนาอวมัรเนี่ยมีไม่มีไม่มีไม่กี่ชุดเลยเสื้อผ้าเนี่ยบางชุดมีรอยปะด้วยรอยปะนี่เหมือนใครอ่ะเหมือนท่านนาดีอ่ะแล้วก็ทาหญิงไอชาภรรยานบีเสื้อที่มีรอยปะจะบอกว่าอร่อยจริงๆชายเสื้อจนขาดเนี่ยแล้วก็มีรอยปะเนี่ยท่านคือชีวิตสมัยนี้มีไหมโอ้ไม่มีครับแต่ใคร แต่ผมยังมีป่าอยู่ผมเราค้ำ่ีละไอ้น้องนี่นี่คือชีวิตนี่ของบรรดาชวบานบี์น้อยสีท่านเนี่ยนะไซนาไซนาอุมัดเนี่ยเป็นประวัติด้วยเหตุนี้แหละอัลลอฮฺจิกะบอกว่าว่าอดัลลอฮุลเลดีนะอามานุมิ่งุมูอามิลุสซาลิฮัดลายัตัคลิฟานนักุมฟิลอาร์ดลายัตัคลิฟานนักุมแปลว่าเราจะให แต่งตั้งพวกเขาเป็นคอลีฟ้บนหน้าแผ่นดินคำว่าคอลีฟ้ากับการปกครองสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะสมัยนี้ไม่เรียกคอลีฟ้เรียกอะไรฮุกูมารัฐบาลปกครองระดทัวชายระบบฟิลิปปันส์ปฏิวัตินี้ส่วนใหญ่ทั่วโลกในน้านะชายระบบฟาโร์หมดเลยกดขี่ประชาชนใช่ไหม รังแกประชาชนกลุ่มนี้มันจะพวกฉันเองอย่าอยู่เลย <c oughs> นี่ไงดุนยาใบนี้แหละใช่ไหมจะของนบีไม่ใช่อย่างนั้นอขอยกตัวอย่างเด่นหนึ่งวันที่นบีมายึดนครม ก, กะนี่การเมืองทั้งหมดแต่อิสลามไม่พูดพูดว่านี่คืออิสลามซาบานนบีอยู่คนหนึ่งเดินผ่านมาเบอกว่าศัตรูเนี่ยกลัวหมดแล้ววันนี้นบีจะแก้แคนหรือเปล่า วันยิปนครมกาวันนั้นน่ะมีชาว บ, บ้านนะบีคนหนึ่งพูดอย่างนี้และเข้าหูศัตรูอันยาวยาวมุลมัลหามะมัลหมะตัวรามนะมัลหมะแปลว่ า, ว, นน <c oughs> ว, าวันนี้เป็นวันแห่งการนองเลือดวันนี้เป็นวันแห่งการแก้แค้นวันนี้เป็นวันแห่งการใช้ใช้อาวุธประหัดประหานกันคำว่ามัลหมะเนี่ยพอศัพท์คำนี้ออกไปจาก ปากของสอบาศท่านหนึ่งนี่นะศัตรูได้ยินกลัวขนลุกเลยกลัวเลยโอ้โหสอบาศนาบีมาเป็นหมื่นเนี่ยแล้วพวกเราจะเหลืออะไรเวลวนานบีเดินผ่านมาจ๊ะนายกระสังวันนี้เป็นวันมัลฮามะใช่ไหมถามใจนนาบีทขาบอกไม่ใช่อัลยาุมยาุมุลมัลฮามะเปลี่ยนจากตัวลามมาเป็นตัวรออัลยาุมยาุมุลมัลฮามะ มัชมาแปลว่าระหิม่าประมวลเมตตาวันนี้เป็นวันในการให้อภัยวันนี้เป็นวันใงการสงสารให้อภัยเมตตาทุกคนยิ้มออกมาเลยนี่ปกครองแบบอิสลามไม่เคยแก้แค้นใครเลยครับฉะนั้นอิระกเราที่ไ ป, ปไปเลยเพราะแก้แค้นนะซีเรียแก้แค้นหลายประเทศ ด, ด้วยด้วยอารมณ์แก้แค้นเราเป็นไงครับดีไหมไม่มีเลยมีแต่ปัญหาหมดเลยวันนี้ถ้าวอาอักษรรูปแบบของท่านนบีมาปกครองของคอล์ริฟ้ามาปกครองครับเรื่องการฆ่ากันไม่มีครับเพราะวันนี้ไม่ได้เอาแบบของนบีมาใช้ไม่ได้เอาแบบของหรือคอล์ริฟ้าทั้งสีมาใช้แตนะ่เอาแบบของใครมาใช้นะแบบของเฟื้องอูลมาใช้โลกปัจจุบันนี้ก็ค่อยๆดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับ เอา Quran นะครับข้อที่เท um ่าไรนะห้สครับว่อตมุสลัตแะวตุวาติอัรูลลัลลุมตุรฮามุนอัลลอฮฺอัลลัอัลลอฮอัลลอฮฺอัอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ ว่า a ิมุส صلاة และ a ุ a ะและว่าทิมุสสุลล a าอ a ลลัคุมทรหมุนข้อที่ห้าสิบหกแ u มาดู a ำแปลนะว่าทิมุส صلاة แปลว่าสุชาติทั้งหลายจมดำลงไว้ซึ่งการนมา ผมเนเรียกติดนมาศเพรนมาเนะเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาอะไรนะภาษาเปอร์เซียภาษาอุรดูในอินเดียก็ใช้กันน ม, นมาศนมาแต่คนไทยก็เวลาลอกมาก็ก็ได้ละหมาดมาวัดรำดูแลยังเป็นที่เข้าใจกันได้นะฉะนั้นจงดำลองไว้ซึ่งการนมาดนี่เป็นคำสั่งของอัลลอ์ผ่านท่านยิบรีนมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดให้ท่านนบีประกาศ จงนามาห์มุสลิมทุกคนผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ทุกคนจะต้องทำการละหมาดนามาห์ในวันในกี่เวลานะห้าเวลาแล้วก็นามาห์ในถูกประทานลงมาวันที่นบีอพยพจากนครมะกาไปที่นครมาดีนะปีแรกประทานเรื่องนามาห์ก่อนเลยเมื่อก่อนเนี่ยคนที่อยู่ในชีวิตชายชีวิตที่นครมะกาสิบสาปีไม่มีนามาห์นะ ไม่มีนมาตแต่นมาคนนมาคนเ บ, บียคนเดียวนั้นนั่นแหละแต่คนอื่นไม่ได้นมาเรียนรู้เรื่องเตาเฮเรื่องอัลลอฮ์อง์เดียวก่อนสิบสามปีเห็ไหมเรอยากจะเกิดในยุคนั้นมาตรงนมาทนะนะ่นสะิบสามปีในนครมาการนะสอนเรื่องอัคตีดาเรื่องเตาเฮเรื่องอัลลอฮ์องเดียวเพราะว่าคนในวันนั้นกับยิ่งกว่าพวกเราเลยนะนับถือพระเจ้าหลายร้อยองค์ในอินเดียยังเหลืออยู่สามหมืนองค์ Uh huh. บูชาโนกยุมก็มีเห็นนะทั้งทงที่อิสลามเจริญ ม, มาถึงขนาดนี้แล้วนะคนยังบูชาดวงอาทิตย์ก็มีดวงจันทร์ก็มีภูเขาก็มีแม่น้ำคงคาก็มีคนยังบูบชาโนกก็มีเต็ไมไปหมดนะแล้วพวกเราในบูชาจินในชาตตอนใช่หรือไม่ใช่ใช <c oughs> คนไทย <c oughs> บูชาจินแล้วชัตตอนเรียกว่าเทวดาเอาละ การก็ตามแต่คุณอ่านเป็นข้อตัดสินที่ดีที่สุดฉะนั้นชีวิตของเราจะมีความสงบบนบุญญาไปนี้ว่าอัติมุสรจงดำรงไว้ส่นการละมาดว่าอาตุสกาและตองจ่ายอะไรนะจ่ายสกาคำว่าสกานีแปลว่าซักฟอกให้สะอาดสกาที่สมีสองสอ ง, สองความหมายนะแปลว่า ซักฟอกให้สะอาดอีกคำหนึ่งแปลว่านูมูแปลว่าเพิ่มขึ้นจเจริญขึ้นอิน r คอร์ีในภาษาอังกฤษนะแปลว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีสองความหมายหนึ่งแปลว่าซักฟอกให้สะอาดสองแปลว่าอะไรนะเพิ่มขึ้นอธิบายยังไงคนที่จ่ายสกาดนี่นะทำให้หัวใจของเขาสะอาดทำให้เงินของเขาที่เหลืออยู่เนี่ย คนต้องจ่ายสา ก, กาัดต้องมีทองเท่าไรประมาณคกบาทเอาหกบาทกัแล้วกันหกบาทก็ประมาณซื้อทองได้จ่ายซื้อทองได้จ่ายเาไนะับแสนเท่าไรแสนสองใครมีเงินแสนสองครบปีต้องจ่ายส ก, กาดนี่มุสลิมเราสั่งนะทุกคนก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพอจ่ายส ก, กัดแล้วธรรมในทรัพย์สินของท่านที่เหลืออยู่สะอาดสองหัวใจของท่านสะอาด แล้วก็สกัดนี่แปลว่านะแต่ว่าเพิ่มพูนฉะนั้นใครบริจาคสกาดอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรนะเพิ่มเงินก็ได้เพิ่มอิมานก็ได้เพิ่มตัควาก็ได้เพิ่มอยากตีนก็ได้เพิ่มลูกก็ได้เพิ่มมันเพิ่มได้เราไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรอัลลอฮ์บอกว่ามีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่องขาดทุนไม่มีเอาวันนี้ผมจะอธิบายเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเลยนะเรื่องเรื่องนมาศัก สองสามฮะดิษนะเป็นอย่างนี้ผมนั่งเช็คฮะดิษเมื่อคืนเนี่ยในนามาในนามาเนมันท่าทางของนามาจะมีอยู่สี่ท่าใช่ไหมใช่หนึ่งท่ายืนสองท่ารุกัวสามท่าท่าสุยูดท่าเดียดท่ากราบแล้วก็สามท่าท่านั่งสี่ท่าเรียกว่าอินเตอร์เนชันแนล เป็นภาพสากลเลยนะั่นมีท่ายืนท่าคงคงท่าสูยูตแล้วก็ท่านั่งมีอยู่สี่ท่าทีนี้เวลาเรานมาส์เนี่ยเราต้องยกยกมือใช่ไหมยังยกมือเนี่ยในนมาส์เนี่ยท่านนมาส์สี่แล้ก็ อ, อาจหรือสามแก็ อ, อาจเนี่ยยกมือทั้งหมดมีอยู่สี่ครั้งนะนี่เป็นสุนา่าของท่านนาบีเราพยายามรักษาสุนา่นานบีนะบางคนเนี่ย ถ้าเรียนหนังสือมาจากอินเดียเนี่ยจะยกมือส่วนใหญ่จะข้ามเดียวตักเบรครั้งแรกเนี่ยอัลลอฮฺอักบารเนี่ยเวลาลูควะไม่ตักเบรดแล้วไม่ยกมือแล้วแต่ตักเบรดอย่างเดียวเงยจากรูควะกันไม่ยกมือแล้วแล้วก็พอทํำสวงเราก็อาจจบแล้วพอขึ้นมาเราอัดที่สามก็ไม่ยกมือแล้วนี่เอาทัศนาขวัยมาคานาฟีมาใชา่ถามว่าผิดไหม ไม่ตรงกับที่ท่านนาบีสอนอยากจะแนะนําตรงนี้นะพยายามรักษาสุนัข น, นาบีให้มากที่สุดแต่การสรุปอย่างนี้นะการยกมือตักบิดในนามาดนะมีอยู่สี่แทงนะยกมือพร้อมกับกล่าวอโลบัตมีอยู่สีที่นะที่ที่หนึ่งอิจากับบาเมื่อก่อนตักบิดอิจาดะคอนฟุสซาเมื่อเริ่มเข้านามาดมายืนที่เสือนามาดเนี่ยนะ ให้ยกมือขึ้นตักเบก็ดก ล, ล่าวว่าอัลลอฮอักบัดนี่ที่หนึ่งที่2วยดารบารอออยดเ า, าจะรุกวัวนี่ให้ยกมือขึ้นตักเบ็ดอัลลอฮฺอักบัดแล้วก็รุกวัวไปไวยดาก็จะซามิอัลลอฮลิมันฮะบิดะเมื่อกล่าวซามิอมัลลอฮเนี่ยเงยขึ้นให้ยกมือนี่ทลายสามแล้วนะ แล้วก็ยกมืออีกครั้งหนึ่งตอนนั่งอตัตหียามาทํำรอกอาดที่สมอัลลอฮฺอักบัรฺพอมายืนอัลลอฮฺอักบัรยกมือการยกมือตักบีดพร้อมกับยกมือในนมาดนีอยู่กี่ที่นะสีท่ที่เป็นฮะดีกะอิมามบุคลีนี่อัลลอฮฺประทับบ้านอัลลอฮปฏิบัิแบานนา บ, บ น, นี้นะครับผมอยู่อินเดียมาไม่ไมาเพรติดติดไม่ยกมือนะ เขามาอ่านคดีเอ้ก็ค่อยๆเปลี่ยนที่ท่านนอยนอย่างนอนแล้วนอนชั้นเปลี่ยนตามสุน่านาบีดีกว่านะครับเรื่องที่สองอยากจะฝ่าท่านพี่น้องนะครับกอดอกเนี่ยกอดกันที่ไหนวันนี้ท่าสังเกตนะตัวเราเองก็กอดกอดที่ท้องใช่หรือไม่ใช่กอดที่ท้องส่วนใหญ่กอดที่ทอ้ททองหมดอ่ะที่ถ้าเรียนจากคดีจริงๆนี่นะนาบีสอนอย่างงี้ การกระสุล ullah ยาบอย่ดัุ่่ยมนะอาลายาดิฮิลยุสซาหให้เอามือขวาเนี่ยเนี่ยตรงข้อมือตรงตรงกันเลยนะมันมีอยู่สองสามวิธีเอาวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือข้อมือเนี่ยกับข้อมืออันที่สองมือซ้ายกับมือขวานี่ให้มันตรงกันนะครับแล้วก็วางตรงไหนครับอาลาซาด ري ฮิวะหุวาฟิซาห์ เอามือเนี่ยวางบนที่หน้าอกก็ยกขึ้นมานิดๆหน้าอกวะหัวฟิสล่ะนบีอยู่ในท่านามาให้ยกมือไจะยกมือกอดกอดอกที่เป็นสุ น, น่าของท่านนาบีบางคนทําทําไม่ได้มือเจ็บก็เหมือมีปัญหาเอาเอาที่ท้องแต่พยายามยกขึ้นนัน ส, สูงไว้สูงไว้สูงไว้นี่เป็นสุ น, น่าของท่านนาบีนะครับเรื่องที่สามอะมนเนี่ย ร่องอาเมนนะนบีสอนอย่างงี้นะครับมะมูมเนี่ยต้องอาเมนเสียงดังให้ดังบ้านมัสยิดนบีเนี่ยนะสั่นเลยนะวันนั้นทําด้วยไรนะก้านอินุฟาลามเนะี่ยสั่นเสียงของซอบาเนี่ยอา้ามีดังกันหมดทุกคนเลยแต่นมัสยิดนบีเนี่ยสัน่นแานเสียงอ่านเสียงดังรู้ไม่ได้อะไร ใครที่กล่าวว่าอาเมนพร้อมกับอิหม่ามแล้วก็อาเมนพร้อมกับมาลาอิกะกูฟิรอลาหูมาต่ก็ดดามินดัมบิอัลลอฮฺจะอภัยโทษในความผิดด้วยในนมาต์ก็อภยัย อ, อภัยโทษอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่ถ้านมาต์เนี่นอภัยอยู่แล้วอาบน้นํานมาต์ก็อภัยอยู่แล้วแต่มาเจออาเมนอีกเนี่ย อ, า ม, อ า, า, ามีอมัลลอฮ์กรูฟิรอละหูมาตะกัดเดนมินดัมบีอัลลอฮ์จะอภัยโทษในความผิดทำเดือนเรื่องที่สี่เรื่องที่สี่แล้วก็พี่น้องเวลาให้สลามเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่งลุกขึ้นจากเสือ น, นอกจะจําเป็นอ่าปวดท้องก็ออกไปก่อนมีธุระก็ออกไปก่อนถ้าไม่จําเป็นนี่นบีสั่งอย่างนี้นะครับไม่อ่านสุบฮานอัลลอฮ์ทรายนะ ส3สาครั้งอันทำโดุลินแลอีกสามครั้งต้องฝึกให้ลูกหลานาฝึกอันนี้แหละใช้มืออย่าไปใช้อะไรนะลูกประคัมมาอย่าไปใช้อย่าไปใช้รนะใชใชพรอหนาบีสั่งภรรยาเนี่ยให้นับโดยมือสุภาโนลลอสุภาโนลลอสุภาโนลนลอเพะมือจะไปพูดกับอัลลอฮ์ในวันเตียมะมือพูดได้นะครับ อันสุบฮามัลลอฮ์สครั the Father, the God, the God, cả, ้งอันฮามดูลิลอีามสิครั้งอัลลอฮอับาอีาครั้งเป็นเท่าไหร่เป็น9กต้องการจะให้ครบรอยหรอว่ายงงี้ละอิลลฮ์อิลลัลลอฮห์ะฮาะิกะละละฮุลมุลกุวาละฮุลฮมดุวะลุลยิงกอดีรงวันที่อัลลอฮมอบให้รุฟิรัตข้ตยาห ความผิดของเขาจะถูกยกไปหมดเลยความผิดเล็กๆนะความผิดเล็กๆ เ, เนี่ยกูฟิรตขอต่อยาความผิดของเขาถูกยกออกหมดเลยว่าอินกาณามิสลาซ a บาดินบาฮดถึงแม้ว่าความผิดของเขาจะมีมากเท่ากับฟองทะเลในมหาสมุทรก็ตามต่วเรงว่าอัลลออภัยโทษให้ฉะนั้นทุกขั้นตอนของการนามาตมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอหมดเลย ก็ขออาตอรองให้ตัวผมเองนะนะรักษาสุนนี้นะสุนทรนบีนะครับรักษาเอาไว้แล้วก็บอกใครบอกลูกๆให้ทุกคนรักษาสุนทรพุทธนาบีอันจะเรื่องเรื่องนามาดนะเรื่องนามาดอาตมาเรื่องนามาดนี่ก็เรียกว่าอามันอะไรนะอามันบาดานีอามันด้านร่างกายใช่หรือไม่ใ ช, ใช่ยกมือร่างกายไหมอาลูกกวะร่างกาย ลงไปสยูดก่อร่างกายท่ารู้กว่าเนี่ยอัลลอฮ์อักบัตบางคนเนี่ยเจ็บไข้ใดป่วยมองดูท่านามาก็รู้เจ็บหัวเขา่าผมเป็นเก้าน้ำพนามารลำบากมากแต่ตมนาไหมนามาตขาดไม่ได้ทีนี้ไอ้นามาตบนบนเก้าอี้เนี่ย พยายามนั่งกับพื้นก่อนถ้านั่งกับพื้นไม่ไหวให้นั่งเก้าอี้แทนอ่าพยายามเป็นขั้นบุญตอนนะป่วยทู้ค้างก็ไมาจะเป็นจะต้องนั่งนั่งเก้าอีเสมอไปนั่งกับพื้นด้วยก็ได้ใช่ไมนั่งกับพื้นก่อนถ้านั่งกับพื้นไม่ไหวโอ้โหพวกเขานี่ร ะ, ระบบเลยอนั่งเก้าอี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมที่ขั้นตอนมันมีอ่ะทีนี้เร็วนะ อัลสลาเนี่เป็นการนมาดด้านร่างกายส่วนต่อมาอีกอีกวาร์หนึ่งว า, าตุสกาจงใจสากาสกาจอธิบายแล้วแปลว่าซักฟอกให้สะอาดสกาแปลว่าเพิ่มพูนเพิ่มพูนอิมานเพิ่มพูนเงินเพิ่มพูนรีสกีเพิ่มพูนอิมาเมนเพิ่มพูนตักว่าไม่รู้อัลลอฮฺจะเพิ่มส่วนไหนให้เราเราต้องน้อมรับด้วยความเต็มใจสกาสเนี่ยอธิบายยังไงท่านบิบบิทอง อิบดตดาด้านะดา้น า, ด า, ดานทรัพย์สินอิบัดาด้านทรัพย์สินสุวรรณมาศอิบัดาด้านร่างกายทรัพย์สม บ, บัติอิบัตดาด้านทรัพย์สินฉะนั้นเราต้องทำต า, า, าสองอย่างฉะนั้นเอาทรัพย์สินนี่ไปดูแลใครแตร่ตบอิกอินติอธิบายดีนะอิลลลมัลูตนไปดูมนุษย์ดอาฟราคนที่ยากจนวัฟุกรอคนที่ขัดสนใหไหม เอาเงินเนี่ยไปดูแลคนแปดจังพวกอ่าตาตสิทธิ์เอบอกว่าแปดจังพวกชัดเจนนะแล้วก็มีคนถามท่านนบีว่าถ้าหากฉันจะจ่าย Zakat าก่อนกํ า, กากหนดได้ไหมอ่ายังไม่ถึงธรรมตาบ้านแต่ครบปีก่อนใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะจ่าย z ะ ก, กา t กันในเดือนรอมาดอนเพราะมันจะผลิตบุญเยอะนะใช่ไหมถ้าจะจ่ายก่อนรอมาดอนได้ ไ, ดไหมได้ครับ นบี อ, อนุญาตให้ทําได้เลยก่อนที่จะถึงครบวาระครบพิกัดครบปรีสามารถพอครบปีเนี่ยจ่ายสากาดอยู่แล้วถ้าจะจ่ายโกรเนี่ยได้ไหมได้ครับอนุญาตให้ทําได้มีหะดีสกัดผมอาดเช็คฮะดีสมานะครับฮะดีษษสอนอย่างนี้นบีสอนบอกว่าไงนะใครที่จะจ่ายสากาัดกรเนี่ยได้ไหมได้เช่นอย่างนี้ซาลาห์สูละลอสัลลอฮ์อุบสัลลัลลสสลลลลม ท่านอาบบาสเนี่ยได้ถามท่านนาบีบอกว่าฟีตอาีลซากะติฮอินตาฮิลละฝร่อศละูฟีดาริ ก, าากรวาวุติดมีรีฮดิษนี้ท่านอิหม่ามอัลบาเนียรับรองหัดดิษถูกต้องมีคนถามท่านนาบีว่าการจ่ายอกาศก่อนก่อนกำหนดนี่ได้ไหมเขาเรียกว่าตาจีนจ่ายกายก่อนกาหนดเนี่ยได้ไหมฝรั่งคอศละูนบีอนุญาตให้ทได้ แต่ท่าคนที่จ่ายสกาดเป็นเงินเดือนได้ไหมได้เดือนละครั้งละครั้งละครั้งจ่ายสกัดลูกหน้าได้ไหมได้เลยนะครับเราทำดีแล้วไม่ผิดคนขับเครื่องบินเดือนเป็นแสนไม่ใช่หรอนี่ค่าราชการบางคนก็เป็นแสนอาจารย์หาเวลาก็เป็นแสนในเงินเดือนนะแล้วเนี่ยจ่ายจ่ายสกาดได้เลยทุกเดือนเลยนะก็ว่ากันไปคิดตามเปอร์เซนต์ยังคิดอยู่แค่ที่พอจ่ายสกาดแล้วยังไม่พอหนะน้นต่างจ่ายสากอ๊อกด้วยนะ พอคิดตัวเรื่องอากาตมีกี่กี่อย่างนะสอย่างหนึ่งอากาศสออฮดย่ะครับวกับนะครับต้องนึกมุสลิมต้องนึกนะนึกแบบนี้นะครับเอาต่อมาครับวาติมุลตกาวาตุกานรนะจงจ่ายกาถ้าไม่จ่ายกาเป็นยังไง พี่น้องคงคงได้อ่านหะ ด, ดิษมาบ้างแล้ว น, นะนะคนที่ไม่จ่าย Zakat าานี่นะข้อที่หนึ่งคนนั้นเป็นคนกาเฟกข้อที่สองคนนั้นเป็นคนมุสริกข้อที่สามคนที่ไม่จ่าย Zakat าาถูกลงโทษจากอัลลอฮ์แน่นอนเอาละถูกเอาละเล่นงานแลยครับเล่นงานถูกลงโทษคนที่ไม่จ่าย Zakat าาเรื่องเรื่องที่หนึ่ง คนที่ไม่จ่ายจรจาเทใสยงอัศบุหุมอัชเดลอาญาอัลลอฮฺจะลงโทษพวกเขาอย่แบบรุนแรงข้อที่สองวามาอวาหุมที่อำนักของพวกเขาคืออยู่ในนรกเป็นที่อำนักที่เลวร้ายที่สุดที่เลวที่สุดทหารไทยที่มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแลว้วก็ได้มีสอบ ต้องมีสี่สิบตัวมี60สิตัวมีตัวอันฮัดดิษเนี่ยต้องต้องถามมรรยาทิบายให้ฟังได้นะคนที่มีวัวมีแพะมีแกะมีควายแล้วไม่จ่ายอากาศในวันกียร์มาเนี่ยไอ้วัวที่เราเลี้ยงนี่นะจะขยี่เราด้วยเท้าของมันนะดูเตี้ยมันนะขยี้จะของมันนะเองเนี่ยมาจ่ายอากาศใช่ไหมอันฮัดดิษเรากลัวหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่จ่ายอากาศสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยจะขยี่ท่านด้วย โดยเท้ามันเองในวันเตียมาแล้วจะเหลืออะไรชีวิตมนุษย์นะเพราะเราเนี่ยศรัทธาในโลกอาคัรยังมีอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีอากาศต้องจ่ายนะครับคนที่มีมีทองคําแล้วก็มีซิลเวอร์มีอะไรนะมีเงินจะมีเงินแท่งอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่จ่ายอากาศนี่นะอัลลอฮฺจะเอาทองทั้งหมดกับเงินทั้งหมดนี่ทาเป็นแผ่นเหล็กแล้วก็เลงไฟหน้าที่ใบหน้าของเขา นาบที่สีข้างของเขาแล้วก็นาบที่กลางหลังของเขาทําไมนาบที่บินใบหน้าเพราะว่าเมินคําสั่งของอัลลอฮ์เมินคําสั่งอัลลอฮ์น้าที่ใบหน้าแล้วก็เอาเอาสีข้างมาเพราะสีข้างเนี่ยหันหลังหันหลังไม่หันหันข้างก็นาบที่ข้างข้า ง, า ง, างหันหลังอีกนาบหลังแจดงว่าคนที่มีทองแท่งกับเงิน Silver ร์อ Gold สองอย่างนี่นะนกักบพิกุยอธิบายไว้เยอะฉะนั้นใครที่ไม่จ่ายปะกาศสองรายการนี้นะรอการลงโทษจากอัลลอฮ์หลังตายแน่นอนครับเาูบิลแล้วแล้วก็ทรัพย์สินที่เขามีอยู่เยอะๆแน่นองในวันเตียมะถ้าเขาไม่จ่ายปะกาศนะใสอยู่เต้าวิกว่าหูบิมาบาครรูอัลลอฮ์ AH จะเอาทรัพย์สินนั้นนะ่ะเป็นไรนะเป็นของไว้ไว้ที่ของเขาเองในวันเตียมะ ธรรมดาของก็มาไว้นีนคอได้嘛แต่วันนั้นนะ่ะถูกแขวนไว้ที่คอเต็มหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะอากาศที่เขาไม่ได้จ่ายแต่หุ่นทางของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตอาลาดูแลใครครับดูแลคนยากคนจนเนะพราะอัลลอฮฺไม่ให้คนรวยเยอะแบบหมู่บ้านนะมันี้ไม่กี่คนใช่หรือไม่ใช่มีพอกินพอใชนะ้แ่ะเยอะแต่คนที่มีเงินเยอะเนี่ยบางคนเนะ่ยมีเงินเยอะนอนนอนนอ น, น, อนไม่หลับนะ่มีอยู่คนโทรศัพทมาเล่ว่าฟังอ า, า, า, า, าจาร ร้อนขายที่ใหม่ๆได้ประมาณหกเจร้อยล้านเนี่ยโทรศัพท์มาเนี่ยกระดุ้งเลยนะมันขยืมตังค์รู้หรือเปล่าไม่มีความสุขไอคนที่เล่ามานี่ยอุจักกับผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ส ล, สลับสลับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใหม่ๆมาเนี่ยคนโทรศัพท์มามันขยืมตังค์รู้หรือเปล่าไม่กล้าครับโทรศัพท์อ่ะนี่เป็นอัหนึ่งกลัวขีนเนี้ยว พอ ไ, ไม่เคยมีสตังในชีวิตนะพ่อมีแล้วก็ขี้เหนียวแหละขอทุอาตอรอนะครับอย่าเป็นคนที่ขี้เหนียวนะนะครับอาเพรอน้องนั่นคืออธิบายคนที่กินกินอากาศไม่ได้มีใครรู้ไหมนบีครอบครัวนบีรับอากาศไม่ได้รับโซลกอ้อไม่ได้รับพอดีญาต้อย่างเดียวสองคนที่ไม่ใช่มุสลิมรับอากาศไม่ได้สา คนที่ร่างกายแข็งแรงคนรวยรับอากาศไม่ได้แต่รับฮาดียะได้คนร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็คนรวยรับรับรับรับรับอากาศไม่ได้ต่อมาครับพ่อแม่ให้อากาศลูกได้ไหมไม่ได้ลูกให้อากาศพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้ภรยาให้อากาศสามีได้ไหมได้แล้วก็สามีให้อากาศภรยาได้ไหมไม่ได้ครับ ให้มานี่ยชายเราเรียนอิสลามไม่รู้เลยอันนี้เอาไปสัรเปิ่นสเพนนิดเดีหน่อยก่อนเวลามันจำกัดครับอ่าวสรุปจากอายะก็คือว่าอะไรนะคนที่นมาดกับคนที่จ่ายซะกาศนั่นคือชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลออัลอฮฺต่อมาวะเตอรอซูลอัลอายะที่ห้าสิบห้า ห้าสิบสี่ก็พูดเรื่องอัติอุรัสูลใช่หรือไม่ใช่ลองดูสิว่าอัติอุรัสูลทาไมต้องเน้นอัติอุรัสูลตอน อ, อายาที่ห้าสิบสี่เนี่ยอัติอลลุลอวะอัติอุรัสูลแต่ตรงนี้อัติอุลวะทําทไมไม่ใส่ใส่เฉพาะอัติอุรัสูลต้องการจะเน้นเรื่องสุนนะนบีเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยแอนตี้สุนนะนบีมีเยอะก็พูดของเก่านิดเลงนะ อิหมามทั้งสี่ไม่มีใครแอนตี้สุนนะนบีสักคนหนึ่งอุลมามะทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครแอนตี้สุนนะนบีแต่อุลมามะบัณฑ า, า <c oughs> มีเปล่าพูดอย่างนี้มันกระเทือนเยอะนะพี่น้องเอาประเพณีปฏิบัติมาทำลายสุนนะนบีผู้เรามีไหมมีครับเพราะว่าโทรศัพท์มาหาผมเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วถามอย่างงี้ เอาแต่นบีนบีนบีและอิหมามชาเอีไปอยู่ที่ไหนนะถามมาเงี้ยยึดแ ต, ต่ของนบีนบีแล้วก็อิหมามชาเปีไปอยู่ที่ไหนอตอบยังไงตอบได้ใช่ไหมเพราะว่าใครเป็นเจ้าของาศาสนาล่ะนบีรีอมามชาเปนบีครับอิหมามชาเอีนพูดเองนะจ้าหาว่าสิ่งที่ฉันพูดหรือเขียนไปเนี่ย มันไปขัดกับอัลกุรอานให้ทิ้งของฉันให้ยึดกุรอานถ้าคำพูดของฉันไปขัดกับซอบ้านนาบีให้ทิ้งของฉันยึดซอบ้านนาบีถ้าหากคำพูดของฉันไปขัดกับของที่นบีสอนให้ทิ้งของฉันยึดของนบีทุกอิมามในโลกนี้ไม่มีใครแอนตี้ซุน่านนบีแต่พวกเราต่างหากแล้ววันนี้ที่แอนตี้ซุน่านนบีเดี๋ยวี่มกับแอนตี้บางเรื่องมันจะทุเรื่งลนะ ทำอย่างสมัยก่อนเนี่ยวันอูกุฟเนี่ยทำกันที่ไหนน่ะเห็นไหมไหนมีใครบวชพอเราอบรมกันอะไรกันพูดกันอะไรกันอำตะกอนกระเริ่มถือบวชกันเยอะนี่นะสุ น, นัขนานบีข้ามาทดแทนแล้ววันนี้ทำตัวเองแล้วนะครับอภิณรสมว่าอร่อยเน้นในอายันี้อายาที่ห้สหเนี่ยจงนามาแล้วก็จงจ่ายอากาศวาติอุรอสุแล้วก็จงปฏิบัติตามสุนนัขของท่านนาบี อย่าลืมนะปฏิบัติตอนรอซูเนี่ยต้องสุน่านาบีนะทุกเรื่องนะข่าวของงามนึกสุน่านบีทํำยังไงอยู่กับพ่อแม่สุน่านบีทํำยังไงอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ทํำยังไงเพราะนบีสอนไว้หมดเนี่ยนะครับขึ้นรถลงเรืออย่าลืมดูอาริธานนบีสอนนะครับต่อมาครับนมาจ่ายอากาศแล้วก็ปฏิบัติตามรอซูลสุน่านาบี หลานละกุมตัวฮอร์โมนอ่ะกาแฟดีไหมเพื่อสู่เจ้าแต่ได้รับความสำเร็จอัลฮัมดุลิลลาะอไม่ใช่ขอความเมตตาเพื่อสู่เจ้าจะได้รับรหชมะแต่ว่าความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็อาลาเอ็นยางครับมีมีอย่างอื่นนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺะั เขาบอกว่าละ ah um, um, อัลละหุมละัลละกุมตุรามูนอิบนนกะสิดอธิบายบอกว่าความเมตตาเนี่ยได้รับทั้งสองโลกเลยโลกดุนยาก็ได้โลกอาเยรอนได้อย่างแน่ น, นอนครับคนที่นมาศคนที่จ่ายอากาศคนที่เชื่อฟังรอซู่นมาถึงปฏิบัติตามสุนทาร น, นาบีเนี่ยเขาจะได้ความเมตตากี่โลกนะ สองโลกโลกดุนยากับโลกอาคีรอนแน่นอนครับคนดูแลคนเนี่ยเอางเงินประจ่ายอา ก, กาศดูแลคนคนได้คนโอกายคนได้โอกายคนนั้นพี่น้องครับมีแต่คนรักสารเสพสินหมดนะบนดุนยาได้ไหมได้อาคีรอนเนี่ยแน่นอนจะสอบได้พันเอร์เ็นนะครับพี่น้องทีนี้ในตัปสิภาษาอุรดูที่พิมพ์ที่ที่เราที่วราบิคอเนี่ยผมอ่านพบก็บอกว่าเขาขอดูอาเลยนะขอขูอาว่างี้ Allahu madzukna mutabat rasulika sallallahu alaihi wasallam watawfana alaiha w h a l อมนโอ้ l a h ขอพระท่าฤกษให้แกเราให้เราได้ปฏิบัติตามรัสูลของท่านคือท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัมไม่ต้อซืภาษาอุรุกที่พิมพ์โดยบิบก็เนี่ยเขาใส่เลยนะ ให้เราขอดุอาอัลลอฮุมะดุลนามุตาบาอัตวาสูหรือกการปฏิบัติตามนบีนี่ก็เป็นเป็นริสกีนะอัลลอฮ์ประทานรสกีให้แก่เราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีวะตาวฟานาอะไรฮะและให้เราตายขณะที่เราเนี่ยนะอยู่ในสุนนะของท่านนบีมีหลายคนโทรศัพท์มาผมขอดุอาให้ตายในท่านามา ขอไปเลยดีมากเลยอย่าไปตายในวงเล่าก็แล้วกันนะอย่าไปตายในบาร์ในาขับนะตายในมัสยิดนะดีที่สุดอัลฮัมดุลิลละวะอัลฮิกนาบิสรอลให้แล้วก็ขอให้เราเนี่ยได้ได้นะได้ใกล้ชิดนะครับได้อยู่กับคนโซเลห์ทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละมีนี่เป็นดวงนะครับของคุณที่แต่งตับซีด ขอตัวอาให้ใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีให้ตายอยู่กับนบีอยู่กับสุนนะนบีแล้วอะไรนะท่านจะมีโอกาสได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีนะครับต่อมาข้อาระยที่ห้สดลตัแล้วที่นักฟังมูอ์จีนนั่นฟิ ا ل ารบุ و ะล بيسل مصير لا تحسب ن الذين كفروا معجزين في الأرض و م ؤ م النار وَلَا بِسَلْمَصِيرَ ا, أ ل ل ه ُ ك ب ر َัััััััััััััััั ปอบใจพวกเราด้วยคนที่อ่านกลุองอ่านเนี่ยเราปลอบใจนะอาดูคำแปลครับลาตาสะบั ah ้นนะคว่าตาสะบันนยอย่าคิดอ่าอย่าคิดอ is is ัลลอฮนีนบันดาผู้ที่กฟารูปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรัซูลปฏิเสธอิสลามคนที่ปฏิเสธอิสลามน่ยยาคิดนะออย่าคิดเป็นอันขาดนะ ถ้าคุณคิดเนะ่ยคุณคิดผิดเนี่ยคิดอะไรรู้ไหมมั่วจีนคุหนี้ไม่รอดคนที่ไม่เอา Allah, เอาาัลลอฮ์ไม่เอารอสูลไม่เอากุรานไม่เอาอิสลามไม่เชื่อโลกอาคือรอดไม่เชื่อวาตาเราฟื้นเนี่ยนะคุณหนีไม่รอดนะนี่ยพออัยยานี้ประทานลงมาให้กับท่านนาบีนบีสบ า, ายใจใช่ไหมโอ้ยคนที่แอนตี้ฉันเนี่ยตังแกฉันดูถูกฉัน ว่าชันอะไรชันมีไหมมีครับแล้วคนที่เป็นมุสลิมวันนี้ถูกแรงแกมีไหมมีเองถูกแรงแกเพราะเป็นมุสลิมถูกด่าเพราะไว้คราใช่หรือไม่ใช่อะ ม, ม, มุสลิมาคุมเหยีก็ถูกตำหนี้เดี๋ยวนี้มันก็เ บ, บาลงเยอะแหละ <c oughs> ใช่ไนั้นคนที่แอนตี้อิสลามคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์คนที่ไม่นามาคนที่ไม่จ่ายซะกาต คนเทไม่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺและละซูนเนี่ยคุณอย่าคิดว่าคุณหนีรอดนะคุณหนีไม่รอดนะครับฟิลอาฟดีนแผ่นดินนี้เห็นไหมนายแผ่นดินที่อัลลอฮฺสร้างมาจะอยู่ตรงไหนก็ตามคุณหนีไปไหนไม่รอดครับทุ่มคุณเนี่ยถูกทุไรถูกดักไปหมดแล้ววันนี้ยังไม่แสดงตัวทอนนั้นแล้วทหารล่อไปหมดแล้วศัตตูก็อัลลอฮ์ล่อไปหมดแล้วเห็นไหมยังไม่จับตัว จับก็นาใช่ไหมจับตรงรูอยู่คุณอยู่ในโลงอ่ะแหละหนีมานาก็รอดเลยจับใส่โลงเรียบร้อยคนที่ถูกจับใส่โลง่งพี่ต้องสังเกตนะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งพาฉันไวๆพาฉันไปกูโบว์ไวๆไปฝังอีกกลุ่มหนึ่งพูดว่าเอ็งจะพาฉันไปไหนเอ็งจะพาฉันไปไหนถ้าเราได้ยินนะมนุษย์และยินเนี่ยสลบหมดแต่แพะแกอูวควายสัตว์ อันนี้มื้นต่างๆได้กินหมดเลยใช่ไหมมัวอจีดินคนนี้ไปไหนไม่รอดแต่คุณไม่เอาวัาลรอหนีไม่รอดนะไม่เอานาบีหนีไม่รอดนะอย่าคิดว่าเองหนีรอดนะบนดุญญนยาเนี่ยหนีไปเด้อเลยมีปัญหาเองถูกจับใส่ลงมาในสำนึกอรอเห็นมาเลกามากับคนลูกแล้ว อ, ลอ้าวนี่มาเลกาจริงอะเนี่ยอรอนึกว่ามีโฉนดมีที่ดินมีบ้านมีรถจะแฉวที่ไหนได้อะ มันไม่จแจวหรอกครับมันจะแจวมันต้องมีอิมานมีตักวามียากีนมียาซานมีอิคลาสมีสุนนะของท่านนบีเรามีคุรานอัลลอฮ์ํากับชีวิตนะถึงจะแจวนอกนั้นไม่จแจวหรอกครับถูกลอก้อข้าวบอกอรอะไรยถูกปิดตาผู้หญิงสวยๆปิดตาตัวเองบ้านใหญ่ๆปิดตาตัวเองเงินจนาการสองสามล้านปิดตาตัวเองครับแล้วปิดตาได้กี่วันครับ พอจับใส่หลงปับเห็นหมดเลยอ้าวอลัลลอฮ์มีนี่รสูนมีนี่มาัยกะมีจึงนรกมีจริงสวรรค์มีจึงเห็นครับตอนไหนครับพอนบีพูดอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยนะคนส่วนใหญ่อะกําลังหลับอยู่จะตื่นต้องถูกจับใส่โลวงพอ <c oughs> ถูกจับใส่โลงวงป้าก็ตาสว่างเลยอลัลลอฮ์มีแต่เนี่ยมาัยกะมีเหรอพระคุณอ่านอธิบายว่าไนะครับเอาต่อมาครับ ว่ามาวาหูมุ น, นที่พำนักของพวกเขาคือมะวาแปลว่าที่พำนักอันนาคคือไฟวงเล็บนรกที่พำนักของพวกเขาคือไฟในนรกนะครับอลล๋อไปน้องไฟนรกนี่แปลงนะเห็นคนกาแฟกมาได้มันร้องอืเห็นมนมเมนเสียงหายเลยเห็นกาเฟท ลองดูไม่เชื่อลองดูวันเกียร์มาเจอแน่งานนี้นะครับวัวมาว่าฮูมุนาต ท, ที่พำนักของพวกเขาคือไฟนรกต่อมาครับว่าดาบิซัลมาซีมาซีแป ว, ว่าปลายทางดิซ่าแปล ว, ว่าเลวสุดหรือชั่วสุดเป็นปลายทางที่ชั่วที่สุดใช่หรือไม่ใช่อะอาคริลอนปลายทางก็ยังดุนยานะ่ยมันโลกใบที่สองใช่ไหม โลคใบที่สมอัลลัมบัตซักพอตาอยู่ในอยู่ในกูโบรนนั่นโลคใบที่สามครับโลคใบที่สี่ปลายทางใช่ไหมนี่อ่ะมาซีดแปล ว, ว่าปลายทางนี่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ได้ปลายทางเป็นปลายทางที่ลาบิซาที่ชั่วช้าเลวทามที่สุดนี่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังสาเหตุไปแล้วครับหนีไปไหนก็ไม่รอดไม่เอาอิสลาม บนบุญญานีที่พวกเยอะไม่มีปัญหาเชิญตามสบายแต่ตายแล้วถูกใส่ลงเรียบร้อยครับฉะนั้นและตับาลนัลลาธนาคาฟาลูบรรดาผู้ปฏิเสธเอ๋ยจงอย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้ณนะแผ่นดินนี้วมะวาหุมุนาะ แ, และไฟนรกคือที่ทำหนักของพวกเขา วาลาบิซัลมอสีและมันเป็นปลายทางที่ชั่วช้าอัลลอฮฺนาอุบซาบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้งครับถามว่าถ้าอิมาลต่ออัลลอฮ์บนโลกนี้มันเสียอะไระเสียได้ไหมเสียการขาดขาดทุนไหมบ้านเล็กลงไหมรถเล็กลงไหมไม่ไม่ได้มีอะไรเลยอัลลอฮ์ให้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เรื่องอากีได้ยังเดียว เรื่งความเชื่ อ, อย่างเดียวอ่ะเชื่ออโลเบาอ่ะเชื่อราซูลเบาอ่ะจะอธิบายมาแล้วว่าใช้ตอนกับยินเนี่ยมันมีอิทธิพลเหนือเราใช่ไหมกี่รายการนะหหรือเจ็ดเนี่ยรู้ไปแล้วนะ่ะอันหนึ่งมันบินได้สองมันอะไรนะมันแปลงตัวได้ันแปลงร่างได้สามมันสร้างความสับสนขึ้นในหัวใจสี่มันทําอันตรายที่สมองและร่างกายเด็กอายุขวบสองขวบเนะี ใช้ตอนแก้แล้วก็มันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของของของของมนุษย์เพรนัย่างกัดมันใช้ตอนกับยินน่ะฉะนั้นวิธีไล่ใช้ตอนกับยินต้องอ่านกุงอ่านศึกษากุงอานเหล่านี้นะ่ะยินนีหมดทาท่องอะไรไม่จงางขสุรวาตีหะอุบิลลบิสมิลลอายาคุีใช่ไหมสุระอะไรบกรแล้วก็สามกุญช์ุญหัลลอฮ์แพวกเนี้ยใช้ตอนนี้หมดยินสีหมดเนี้ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนบเล่าให้เราฟัง ถามว่ายินมีไหมมีครับไซตตอนมีไหมมีครับยินชั่วกับไซตตอนเร็วๆนะอยู่ในบ้านเรามีไหมมีครับวิธีไล่ก่อไม่ต้องเอ า, เ ข, าข้ขาวสุกข้าวสารเกลือไม่จำเป็นครับใช้คุรอานอ่านนี่แหละหนีหมดเลยนะครับไปลองเอาต่อมาครับอายาสุดท้ายนะโอ้เออสุดท้ายนี่ดีมากนะครับอายะที่ห้าสิบแปดนะครับ <ت ص في ق> يا أيها الذين آمنوا لا يستأذنكم الذين م, م ل أ ك ت إيمانكم والذين ل َ م يبلول حُلُوما مِنْكُمْ س َ ل َ ا س َ م َ ر َ س ل ا م ا ل ح د ل ه أ ن يا أيها الذين آمنوا ليستذنكم الذين ملأك أيمانكم والذين لم يبلُل حولم منكم ثلاث مرات الله أكبر ي ع ن ي วัดนี้ต้องการสอนเรื่องมารยาทอยู่ที่บ้านบ้านมุสลิมกับบ้านกาฟเฟไม่เหมือนกันนี่อยู่ในบ้านมุสลิมนะสอนเรื่องการขออนุญาตอิสติกานเพอร์มิชั่นให้สอนเรื่องการขออนุญาตเมื่อตอนต้นของของสุร์ะนะ่จะเข้าบ้านใครต้องขออนุญาตใช่ไหม จะเข้าบ้านคนอื่นต้องขออนุญาตอันนี้พูดเรื่องในบ้านเลยในบ้านมุสลิมในบ้านมุมินบ้านที่มินามามีอ่านคงอานเนี่ยต้องขออนุญาตสามที่ด้วยกันสอนบอกคนที่อยู่ในบ้านลูกของเราที่ยังไม่บรรลุนิติภาะวะลูกที่ยังไม่แตกเนื้อนมจะเป็นผู้หญิงก็ตามหรือผู้ชายก็ตามถ้าผู้หญิงก็ ประจำเดือนยังไม่มาพ่อแม่ต้องสอนนะครับเรื่องมารยาทในบ้านนะเรื่องการขออนุญาตกี่ที่นะสามที่อบาดูกุณอ่านครับยาอิวันลดีนาอามานูบรรดาผู้สะเทอลิยัสตะซินกุมจงให้บรรดาอัล ล, อ, าา อ, ลอีนามัลกัดอิมานุกุม มาละก็แต่ ว, ว่าคุ้มครองไอมานมือขวาที่มือขวาของท่านคุ้มครองดูแลมาถึงธาตนะุนหรือคนงานคนใช้ที่อยู่ในบ้านท่านคนที่ช่วยงานท่านคนที่มาดูแลรักษาบ้านหรือมาดูแลคนป่วยที่อยู่ในบ้านไปน้องจะเป็นใครก็ตามนะคนที่อยู่มาช่วยงา น, านท่านที่บ้านวลลลลีนัมมยบุ ยับล้ำยับลุกแลว่ายังไม่ถึงอัลเลุมแปลว่ า, าบรรลุนิติเพราะว่าก็หมายถึงที่ที่ยังไม่แตกเนื้อหนุ่มนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ยังไม่มีระดูเนี่ยนะสองกลุ่มเนี่ยให้ทำไงยัสตาลินให้ขออนุญาต p e ต้องขออนุญาตก่อนจะเข้าห้องใครห้องพ่อห้องแม่ห้องพี่ห้องน้องที่อยู่ในบ้านนนะ อย่าเข้าโดยไม่ขออนุญาตมีทั้งหมดกี่เวลาครับสาลาสามาหลดมีอยู่สามสามเวลาขอบคุณอัลลอฮ์นะจะอธิบาลยละเอียดยิบเลยอ่นี่เรื่องมารยาทอัลลอฮ์วาก็บัรแค่ทังษามามรยาท ต, ตามกุรุอ่านอนัยยานี้ก็เป็นชาสวรรค์แล้วก็พี่น้องอัลล์สั่งนาบนดาผู้ศรัทธาเ อ, อ๋ยจง ให้บรรดาที่มือขวาของสูเจ้าหรือคนที่สูเจ้าครอบครองหรือคนใช้นะคนมาช่วยงานเนี่ยและบรรดาในหมู่สูเจ้าที่เป็นเด็กที่ยังไม่แตกเนื้อหนุม่มถ้าเป็นผู้หญิงก็ยังไม่มีกระดูเนี่ยนะจะเข้าห้องใครเนี่ยเข้าไม่ได้จนกว่าจะได้ขออนุญาตเสียก่อนบ้านเดียวกันก็จริเห็นไหมนี่คืออิสลาม้ามโดยลิลขอบคุณอัลลอฮ์นะ ถางั้นเรามาไม่รู้เลยเนี่ยเพราะอันกุ้อ่านผมรู้อัลลอ์ต้องขออนุญาตเมกเพิ่มลิชั่น first ต้องขออนุญาตก่อนสามเวลามีเวลาไหนบ้างาต่อมามิงกอบเบลิซาติลฟจรีอัลลอฮุอับัหนึ่งก่อ น, น <laughs> อนเวลานามาดฟัจัก่อนเวลานามาดฟัจันะุณอานเรียกฟัจนะ ไม่ได้เรียกซูโบนะเราเนเรียกซุบโบก็ถูกไหมถูกฟะจัดถูกไหมถูกมิ่กอบิศาลาติลฟาเรยยังไม่ยังไม่เข้าเวลาฟะจัเข้าห้องใครไม่ได้ต้องขออนุญาตก่อนห้องพ่อห้องแม่ห้องพี่ห้องอะไรก็ตามแต่เนีบอกลูกอย่าเข้าไปในห้องเขานะไป เคาะประตูก่อนเรียกก่อนวัชันจะเข้ารือโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้ยุคสมัยนี้มันง่ายใช่ไหมก่อนเวลาฟาดฮัมเข้าเอาต่อมาวะฮีนตาบะอูนสัสียะกุมมินัลซาฮีรอซาฮีรอแปลว่ากลางวันซุฮัดนั่นแหละซาฮีรอซฮัดตาบะอูน่แปลว่าเปลือยหรือวางเสยียบกุมเสื้อผ้าของสูเจ้าฮีหน้าแปลว่าเวลา เวลาที่สูเจ้าเตลื้องหรือวางเสื้อผ้าของสูเจ้าในเวลากลางวันเป็นนักโซฮีสโซฮีสระวัตกลางวั น, นกลางวันเนี่ยตามหลักการของท่านนาบีของอัลลอฮ์เนี่ยให้เราคอยดูละให้งีบสนิดหน่อ ย, อยพักผ่อนพวกฝรั่งเอาไปใช้หมดแล้วแต่พูเราอย่ามได้ใช้เลยจะใช้เหมือนกันต้องแก่แ ก, ก่อน หมดแรงแล้วพเจชายกูอ่างมาใชา่พวกนี้เวียดนามใช่ขเขมรใช่ลาวใช่อุลมะทั่วโลกเขาใชา่นอนก่อยรูละลในเวลากลางวันนงีบไม่ใช่สามชั่วโมงสี่ส้านาทีครึ <c ười> ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึง่งก่อนนามาโซฮุสพวกนี้ใช่ไหมหรือว่าหลังนามาโุฮุสเนี่ยมีก่อยมีก่อยรูละ ไอตอนเวลาคอยลูลาเนี่ยนอนพักกลางวันยงเงีย ง, ง, งกลางวันครับปลดเสื้อผ้าบ า, บางชิ้นออกนะ่ะเช่นเอาผ้าคุมที่ใส่ออกเอาเสื้อออกใช่ไหมล่ะยิ่งมีองค์เมแอหน่อยมันก็บา ย, ยมาบัตรเปิดแยะใช่ไหมเวลานั้นอ่ะห้ามเข้าห้องของเขาต้องขออนุญาตก่อนเอาเวลาที่สมวามินบาดิซาติไรชาและหลังจากนามาติชา ทำไมจะพูดเรื่องเวลาสองสองเวลาฟาจัดกับอิชาอัลลอฮ์เน่ยกอ่านสอนให้เราคิดนะแะนั้นใครที่มานามาที่มัสยิดเวลาฟาจัดกับเวลาอิชาผลบุญเต็มเลยรูป่ะมานามาอิชาผลบุญเท่าก่ายืนนามาขึ้นคืนในมาซุนัดถ้ามานมาซุโบที่มัสยิดอีกผลบุญเท่ากว่ายืนนมาตลอดทั้งคืนน่ะเอาได้ไหมเอาคนอ่านกูอ่าน อ๋อลอลอเปิดช่องเปิดช่องเปิดช่องท่านอยากคาสองสองเวลานี่สุโบกบอะไรนะอิชาแล้วก็อิชาทาไมใส่อิชาคนที่นอนหลังนมามาอิชาเนี่ยสุขภาพดีหมดเลยนะใบหน้าก็ไม่แก่ท่านชาผู้หญิงต้องการอยากให้สวยหุน่นดีสเลนเดอร์หน้าสวยๆนี่นะให้รีบนอนหลังนมามอิชาอย่ารีบนะหลังดูแลคอรล่ะ รีบนอนหลังนะมาอิชาเลยดู้ไหมแล้วก่อนนอนอย่าลืมนะทำํำงานสุนาร์นาบีแปลงฟันก่อนทั้งๆที่แปลงฟันก่อนอิชานะแปลงแล้วใช่ไหมนะก่อนนอนแปลงอีเทีย น, นแปลงฟันอาบน้นะํานำมาตะปัดที่นอนดึงที่นอนให้ตึงใช่ไหมยกมือขึ้นอ่านก่อนเอ้ยเปล่าก่อนแล้วก็อ่านที่หลังแล้วลูบไปทั้งตัวแลวนอนอายากูซีอะไรสุลอะไรนะตะบารอกันดะดีถ้าอันได้อ่านไปเลย แลนอนแต่แขนขวาในท่านนี้อลัอลลอฮฺอัลบัดนอนแต่หัวข้ามและเตือนตอนตีสี่นมาแต่ห้าหยุดบหน้าแกะไห ม, มหนุ่มสาวเช่งเลยหน้าสวยไปนั่งท่านอนเที่ยงคืนไว้หมซูเบก็เตืมนไม่ไหวขาดทุนได้ขาดทุ น, ข า, ทนขาดทุนอย่างยับยับเลยนี่นะคุณอ่านเตือนหลังนมาจีชาห้ามลูกหลานเข้ามายุ่งในห้องแล้วเห็นไหมเพราะเขาต้องการจะพักผ่ นี่ต้องการจะสอนมุสลิมบ้านมุสลิมบ้านโมเมนให้นอนไวๆที่สุดอัลฮัมดุลลาต์ตกงว่าบอกลูกบอกหลานบอกคนในครอบครัวเราเรื่องในบ้านเราต้องมีการอขออนุญาตก่อนจะเข้าห้องขายกี่เวลานะสามเวลาเวลาที่หนึ่งก่อนนมาสุบะพออาจารย์ตอบอ้าะได้เลยไม่มีปัญหาเข้าได้เลยเพราะอิสระแล้วใช่ไหมตอนเที่ยง ตอนกลางวันก่อยลูละแล้วก็หลังน่หมาอิชาห้ามเขาถ้าจะเข้าต้องก็ก็ก็ ก, ก็นบีเนี่ยเคยไปปลูกบ้านลูกสาวผมเช็คฮะดิษเหมือนกันว่าปลูกงงเัียงไงอ่ะใช่หลังมือหรือว่าฝ่ามือปื้นอย่างนี้จะจะเอามาปฏิบัติงาแต่บางคนว้าอะไรกันไปดูนบีนบีเอา้าก่อนนบีทำเป็นแบบไว้ไง เขาคาะแบบนี้หรือเคาะอย่างนี้หรืออย่างนี้อ็ต้องการจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเข้าใจนะตัวลองว่าสอนมารยาเรื่องอะไรนะการขออนุญาตในบ้านกี่เวลานะสามเวลาให้ลูกหลานดาวตะกอใจอัต่อมาครับลาอิสลาุมวะลาอิฮิมจุนนฮุบบะดาฮุนนะเอาแค่นี้ก่อน ไลซ่าอาไลกุมวาลาอาไลหิมจุนาหุมบาเดหุนนาบาเดหุนนาแปลว่าหลังจากสามเวลานี้หลังจากสามรายการที่กล่าวมาแล้วนี่นะไลซาไลกุมไม่มีข้อตําหนิไม่มีบาปแก่พวกท่านวาลาอาไลหิม แล้วก็ไม่มีบาปแก่พวกเขากับท่านและพวกเขาไม่ผิดแต่หากจะเข้าห้องออกห้องเข้าไปช่วยกันดูแลกันอะไรกันเยี่ยมกันคุยกันในห้องเนี่ยนะเข้าได้หลังจากสามเวลานี้ไปแล้วถ้าจะเข้าในห้องหลังจากสามเวลานี้บาปไหมไม่บาปเข้าไม่ต้องขออนุญาตก็พอๆได้อะนะเข้าไปเลยที่คุณอ่านอธิบายชัดเจนฉะนั้นถ้าสามเวลาต้องขออนุญาต ท่านหลังจากสามเวลานี้ไปแล้วเนี่ยเข้าออกได้ตามสบายไม่บาปท่านก็ทำไม่บาปเขาทำก็ไม่บาปอยู่หน้าคุณไปลวแา้วะะบาปนะครับเาก็คืไอ้อก็เหมือนมั้ต้องนึกเลยนะส่วนญาณผมจะไปเยี่ยมใครเมื่อวันเอ็เนี่ยพอถึงบ้างอาจารย์อิชาเนผมไม่เข้าเลยออก กับกลับกับกับนี่หัวปลาเนี่ยอย่า ว, ว่าบ้านใครนะคนไปจะไปยืนอยู่ไม่กล้าเข้าดีถึงเวลาญาตเนี่ยเฮ้ยมาทําไมกลางคืน <c oughs> อ่าถ้านัดกันไว้ถ้าเขาเชิญเนี่ยอันนี้ไปได้เลยถ้าเขาไม่เชิญอย่าไปนะเขาพักผ่อนก็แล้วแค่คือมาเยี่ยมเนี่ยก็ดีนะมาคุยสิบนาทีสวัสดีให้อาจารย์พักผ่อนสวัสดีภาษานีดีนะพักผนะ่กอนแะ่ข้ามจะลื ที่น้งนคุกอ่า น, อ น, นะอนธิบายละเอียดดีไหมเนี่ยความพุออ น, นอัลลอฮ์นะต่อมาครับที่เปิดโอกาสให้นอกจากสามสามสามสามเวลาแล้วตาวาฟูนะอะไรกุมอ่บาดุคุมมาลยบาตาวาฟูเนี่ยแปว่าวงเวียนนะวงเวียนหรือว่าเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กันพบปะกันอะไรกันเตาวาฟง่ะเตาวาฟูแปวา่า ว, วงเวียนนะ นะครับอัลลอัลลอักบัดวงเวียนหรือว่ารับชายอาลัยกุมพวกท่านบาบุกุมอาลาบบาดินซึ่งกันและกันเพราะว่านอกจากสาวเวลานี้ต้องมีคนชายเข้ามาในห้องบ้างบางทีคนมาช่วยทำความสะอาดห้องบ้างมาจัดที่นอนบ้างอะไรบ้างก็เข้าออกกันไม่เป็นบาอย่าตู่อยู่เตา ว, วาฟูนะเตา ว, วาฟูนะอะไรกุม ไอ้คำว่าตาวาฟเนี่ยมีอยู่สักอีกคำเนี่ยชายกับแมวอ่ะแมวเนี่ยมันชอบอยู่กับคนเดินเข้าเดินออกไอ้แม่จะน่าหมายมากแมงมายืนอยู่ที่ขาเนี่ยนะนึกถึงขดิษฐทุกทีแต่หมามีมไหมไม่มีครับจะด้านหมากับแม่เนีายบ้านบ้างรูสีน่าจะเลี้ยงอะไนะเลี้ยงแมวเหมือนอบูอะไรอบูอะไรวะรดีร้องอ่านด้วยตาวาฟู่นะอะไรกูมันวนเวียนอยู่กับมนุษย์นี่แหละนะวนเวียนอยู่กับมนุษย์นะ <تصفيق> ك َ ذ ل ك َ ي ُ ب ي ن ا ل ل ه ل ك م ا ل آ ي ا ت و ا ل ل ه ع َ ل ي م ح َ ك ي م ٌ ذ ل ك ي ُ ب ي ن ا ل ل ه ل َ ك م ا ل آ ي ا ت و ا ل ل ه ع َ ل ي م ح ك ي م ك َ ذ َ ل ك ن َ ج م ن ع ْ ن ِ ي َ อยู่ใบยินุลอหู l ล k กูม l ลอา t ะ Allah ได้ทรงทำให้องค์การเรือยอายะต่างๆของพระองค์นั้นแจ่มแจ้งแก่โูจะอธิบายชัดเข้าใจง่ายอธิบายไว้เพื่ออะไรวัลอหุอาลีมุลฮะกีมแล่ a l ล a h ผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญารู้เลยว่าถ้าปล่อยให้เข้าออกเข้าออกกันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เนี่ยระบาก อธิบายไว้ชัดเจเลยตัลวงว่าเรียนกุณละอานี่มาตั้งจกอเมริกาก็ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้ไดพวกละอานสอนละเอียดเลยมาตั้งจบญี่ปุ่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นเรียนกุณละอานอย่างเดียวความรู้อันล้ำดูลีลามีใต้เ ท, ท้าซีเป็นคนถามอย่างนี้ทําไมเด็กไม่บรรลุนิติเพราะว่าเด็กที่ยังไม่แตกเนื้อหนุม่มผู้หญิงที่ยังไม่มีประจำเดือน ทำไมต้องเริ่มตั้งแตงเ่เด็กๆจะเข้าห้องตัวงมีต้องมีขออนุญาตทําไมคําตอบก็คือในฮะดิษบทื่นมีนะอบรวมลูกของท่านเมื่ออายุเจ็ดขวบให้ทำอะไรให้นามาตเหมือนกันฝึกตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยแต่อายุห้าขวบหกขวบให้ฝึกให้นามาตนี่เหมือนกันอย่าเข้าห้องบันนี่นะอย่าเข้านะให้เวลานี้ผ่านไปก่อนนะให้คนในห้องต้องรู้สึกด้วยว่าเราเนี่ยควรจะปิดห้องเปิดห้องเวลากี่โมงด้วยต้องเตือนกันนะ่ะ เนี่ยสอนอนุญาตในการนะในการเมกเทคเพอร์มิชันขออนุญาตคนในครอบครัวของเราซึ่งเราบางทีก็ละลวมในด้านนี้นะรู้สึกว่าทำเรื่องเล็ ก, ลกๆไม่เท่าไรเข้าบางเอิญซะว่าพ่อมันอยู่ในบ้านนะสำคัญ พ, พอๆกับบ้านอื่นเหมือนกันนะอ่าสูตรบอว่าอบรมลูกของเราเรื่องมารยาทอิสลามให้อาบน้ำนามาดเป็นอันตุอาเป็นฝุดน้งบงน้ำมาท่าน้มาตั้งแต่ยุคกี่ขวบนะ ครวบสครวบไม้นามาก็ลงโทษกันบ้างยกสูงสูงลงเบาเบาไม่จะตีอย่างกระแพะแกะขั้ควายไม่ใช่นะอย่างนี้ไปต้นครับหมดเวลาไดครับสุภาพนกัลลอฮุมะว้ฮามดิกะอัลอฮิอัลอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลฮิอิลลัลลอฮอัอััิอิลอัลอลัลลอฮิฮ